ทางจงกรมสำหรับเดินทำความเพียนในท่าเดินสั้นและยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียนในท่าเดินท่านทำอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติของท่านจึงขอนามาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสาหรับท่านผู้สนใจดาเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้ว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 เพราะการรำพึงธรรมคือธรรมะนั้นมีความลึกตื้นอย่าละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจําเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณากว่าร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งและ9้าเดินต่อไปการเดินกําหนดคําบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับ9้าเดิน นอกจากจะถือเอา9ก้าเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับ9้าได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทาเรียกว่าขาดความเพียนในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากๆเท่ากับสนใจต่อธรรมะที่นำมาบริกรรม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 กว่าจะออกมาก็11บเนาิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อยบ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ ท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรแลร้วฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดจย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทาความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับคั้นเริ่มแรกที่ริดกิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลาบากอยู่บ้าง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 เมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัวจิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแหลใครหัดคิดหัดอ่านตัวเองมากๆผู้นั้นจะทราบผลทางหลบหลีกหลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดการดังที่เคยเป็นมาความเห็นภัยในทุกข์ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอ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 แต่จะกำหนดธรรมบทใดก็ตามนอกจากสามบทนี้ก่อนจะเจริญธรรมบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกธรรมะสามบทคือพุทโธธรรมโมสังโฆสามครั้งอันเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อนจากนั้นคอยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นานาปนาสติหรืออัตถิหรือตาโจเป็นต้น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 โดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคาบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติและพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่กับคาบริกรรมนั้นอย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นระหว่างจิตสติกับคาบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไรยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้น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 คำว่าจิตตกภวังบางท่านอาจไม่เข้าใจจึงของอธิบายไว้บ้างเล็กน้อยคำว่าผวังแปลอย่างประปาตามนิสัยที่ถนัดใจจึงขอแปลว่าองค์แห่งพกหรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชามาตั้งแต่ดึกดำบันแสนกับนับไม่ถ้วนคำว่าจิตตกภวังคืออวิชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียว